เรื่องเล่าเรื่องนี้เนี่ยผมได้ยินได้ฟังมาจากหลวงพี่ท่านหนึ่งในสมัยตอนที่ผมบวชเนร์นอยู่เมื่อประมาณ10กว่าปีที่แล้วตอนนั้นมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับพูดผีวิญญาณมากมายที่ผู้เท่าผู้เก่งเล่าให้ฟังโดยเฉพาะผีเปรตเอ๋ยก็ดีผีปอบผีโพงผีกระสือผีกองกอยคือต้องบอกก่อนนะครับว่าสมัยก่อนนะ่ะหมู่บ้านที่ผมอยู่ไม่ได้พัฒนาเหมือนตอนปัจจุบันนี้นะครับบ้านเรือนคนก็ยังไม่ค่อยจะมีสักเท่าไหร่วัดประจําหมู่บ้าน ก็อยู่ห่างออกไปแต่ก็จะมีถนนตัดผ่านเข้าไปในตัววัดด้านหลังวัดจะมีสะพานไม้เก่าๆซึ่งเชื่อมไปอีกหมู่บ้านหนึ่งซึ่งจะมีอยู่ประมาณ10หลังคาเรือนห่างออกจากตัววัดไป200เมตรพื้นที่ตรงนั้นก็จะเต็มไปด้วยป่าต้นไม้ปกคลุมขนาดผ่านไปตอนกลางวันยังขนลุกและวังเวงคนแถบนั้นอยู่กันนานไปก็ฉิน่นส่วนบริเวณวัดเนี่ยล้อมรอบไปด้วยต้นไม้ใหญ่ ด้านหน้าจะมีต้นตาลี่ต้นด้านหลังก็จะปกคลุมไปด้วยป่าไผ่และเป็นป่าช้าที่เอาไว้ฝังศพคนซึ่งจะอยู่ใกล้กับถนนที่จะตัดผ่านไปยังหมู่บ้านนั้นครับหลวงพี่ยอดเล่าให้ฟังว่าย้อนกลับไปตอนสมัยที่ท่านยังเป็นสามเณรยอยู่นั้นท่านก็จะมีนิสัยเกเรและดื้อตามภาษาเด็กแล้วก็จะมีป้าอยู่คนหนึ่งชื่อว่าป้าบัวขอเป็นนามสมมุตินะครับป้าบัวเนี่ยเกจะชอบมาทําบุญที่วัดเป็นประจํา ไม่ก็จะตักบาดอยู่หน้าบ้านของแกแต่ป้าบัวเนี่ยแกจะมีนิสัยอยู่อย่างหนึ่งคือแกเป็นคนขี้อิจฉาชอบด่าชอบว่านินทาคนอื่นไม่เว้นแม้กระทั่งเนนที่จะโดนแกดุด่าเป็นประจำอย่างเช่นว่าบนพื้นสารามีขี้นกหรือลานวัดไม่สะอาดเต็มไปด้วยใบยไม้ร่วงแกก็จะต่อว่าเนนหาว่าเนนขี้เกียจบ้างเอาแต่วิ่งเล่นไปนวั น, วน พูดจายอย่างกับแกเป็นเจ้าของวัดยังไงยางนั้ น, น, นมีสิทธิ์เป็นซะทุกเรื่องชอบตำหนิคนอื่นแต่พูดเอาดีใส่ตัวในบางครั้งเนนแอบเห็นแกขโมยของคนอื่นที่นำมาถวายพระกลับบ้านโดยเฉพาะในช่วงวันพระแกจะมาวัดโดยไม่นำอาหารอะไรมาเลยมีเพียงแต่กล่องข้าวเหนียวกับตะกร้าแบบถือถ้าอาหารเยอะเกินไปหรือล้นป้าบัวก็จะจับถุงอาหารนั้น ยัดใส่ตะกร้าของตนในตอนที่ไม่มีใครสังเกตเห็นไม่นานก็มีข่าวลือว่าป้าบัวแอบไปชอบหลวงพ่อเนนย่อสังเกตเห็นว่าแกจะพูดดีเฉพาะกับหลวงพ่อคนเดียวเท่านั้นในบางครั้งที่หลวงพ่อติดธุระหรือไปประจําวัดอื่นเวลาเนนออกบิณฑบาตถ้าแกไม่เห็นหลวงพ่อมาด้วยแกก็จะทําสีหน้าบูดบึ้งไม่พอใจไหนจะว่าข่าวที่ป้าแกไปทะเลาะ ก, กับเพื่อนบ้านอีก ถึงขนาดที่ข่าวเนี่ยรู้มาถึงหูผู้ใหญ่บ้านชาวบ้านเล่าว่าเห็นป้าบัวแกแอบมากรวดน้ําสาบแช่งถึงหน้าบ้านเลยทีเดียวสาเหตุก็เพราะว่าป้าแกหาว่าเพื่อนบ้านนั้นสร้างรั้วเข้ามากินพื้นที่ของแกนั่นยิ่งทําให้ชาวบ้านไม่ชอบแกหนักเข้าไปอีกหลวงพี่ยอดเล่าต่อว่าและแล้วในคืนหนึ่งเวลาประมาณตีหนึ่งหลวงพี่แกได้ยินเสียงหมาหอนดังลั่นจนนอนไม่หลับ พร้อมกับมีเสียงร้องไห้แหบแห้งเหมือนกับเสียงคนแก่ดังไปรอบกุฏิจนตามไม่แกนอนไม่ได้แถมลมข้างนอกนั้นก็พัดแรงมากพัดแรงถึงขนาดโค่นต้นตาลหนึ่งต้นล้มลงมาเสียหายเสียงดังสนั่นไปทั่วแต่ก็เพราะความกลัวหลวงพี่จึงไม่กล้าลุกขึ้นไปดูจนถึงตอนเช้าก็มีชาวบ้านจํานวนหนึ่งวิ่งมาที่วัดทราบที่หลังว่าเป็นลูกหลานของป้าบัวบอกว่าป้าบัวนั้นเสียแล้วแกนอนไหลาตาย พอตอนบ่ายชาวบ้านก็นำร่างประบัวมาที่วัดเพื่อประกอบพิธีสมัยนั้นยังไม่มีเมรุเผาศพเลยต้องเผาบนกองฟืนระหว่างการทำพิธีนั้นมีการเปิดฝาโลงให้ญาติญาติและพระนำน้ำมะพร้าวมาล้างหน้าศพสภาพศพของประบัวในตอนนั้นคือแกลืมตาโพ่งระหว่างที่กำลังทำพิธีเผาศพอยู่นั้นก็เกิดลมกันโชกแรงเทกระหน่าลงมาจนทาให้ชาวบ้าน ต้องเอาผ้ายางมาคลุมศพเอาไว้ก่อนจนถึงตอนเย็นจึงจะสามารถดำเนินการเผาต่อได้พิธีเหมือนจะผ่านไปได้ด้วยดีแต่แล้วก็เกิดสิ่งที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นคือในระหว่างที่ไฟกำลังไหม้อยู่นั้นอยู่ดีๆโลงศพก็พลิกแล้วศพของป้าบว น, นั้นก็หล่นตุบแล้วกลิ้งออกมาทุกคนต่างตกใจพากันร้องเสียงหลงพวกผู้ชายจึงรีบใช้ไม้พลิกศพ กลิ้งกลับไปในกองไฟเหมือนเดิมจากนั้นก็แยกย้ายกันกลับบ้านตอนนั้นที่วัดยังไม่มีสังกะสีพวกเนนจึงต้องคอยทําหน้าที่มันคอยเดินมาตรวจ ด, ดูศพว่าถูกเผาละเอียดดีแล้วจนถึงเวลาหกโมงเย็นเวลานั้นเป็นเวลาทําวัดและมีการฟังพระธรรมวินัยกันจนถึงหนึ่งทุ่มปกติแล้วเนนจะนอนกันตั้งแต่หัวค่าโดยลักษณะของวัินั้นจะมีทางเดินอยู่ตรงกลาง ห้องมีทั้งหมด4ี่ห้องโดยเนนยอดจะนอนห้องด้านหน้าขวามือกับเนนอีกคนหนึ่งที่ชื่อว่าเนนออยถัดมาก็จะเป็นห้องหลวงพี่อีกท่านหนึ่งส่วนด้านซ้ายทั้งสองห้องนั้นถูกกั้น้วยผ้าจีวรห้องในสุดเป็นห้องสําหรับเก็บข้าวของต่างๆของคนตายที่ญาตินํามาบังสกุลหลังจากเผาศพไปแล้วประมาณ 3- 4วันส่วนห้องถัดมาเคยมีเนนคนหนึ่งย้ายมาจากวัดอื่น เข้ามาพักได้ไม่นานก็ย้ายออกไปเหตุผลนั่นก็เพราะว่าตอนดึกๆเ น, นคนนั้นบอกว่าได้ยินเสียงเหมือนคนมารือข้าวรื้อของและเห็นเง า, ป ร, าประหลาดจากห้องข้างๆนั้นเป็นประจำห้องนั้นก็เลยว่างไม่มีใครกล้านอนอีกเลยส่วนกุติหลวงพ่อนั้นจะอยู่ห่างออกไปอีกประมาณ30เมตรคืนนั้นเป็นอีกคืนหนึ่งที่มีเสียงหมาหอนดังก้องไปทั่วทั้งวัด เนยยอดเผลอหลับไปตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้มารู้ตัวอีกทีก็ประมาณตีสองเพราะได้ยินเสียงเนยออยร้องลั่นนั่งกอดเข่าตัวสั่นอยู่ที่มุมห้องพูดจาไม่เป็นภาษาคนจนหลวงพี่ห้องข้างๆต้องมาเคาะประตูเรียกเมื่อเปิดประตูเนยออยจึงรีบวิ่งออกไปหลบข้างหลังหลวงพี่เนนยอดก็วิ่งตามออกไปพอหลวงพี่ถามว่าเกิดอะไรขึ้นเนยออยก็ไม่ยอมบอกจนถึงตอนเช้าเนยออยจึงจับไข้ ปากก็บ่นว่าอยากจะศึกแล้วอยากจะศึกแล้วพอหลวงพ่อเข้ามาถามเนรอนออยจึงยอมเล่าให้ฟังว่าเมื่อคืนนั้นได้ยินเสียงเท้าคนลากไปมาอยู่บริเวณหน้าห้องต้องขอบอกก่อนนะครับว่าตรงจุดที่เนร อ, ออยนอนนั้นอยู่ตรงกับประตูพอดีลักษณะของประตูก็จะอยู่สูงจากพื้นขึ้นมาประมาณฝ่ามือครึ่งจึงพอที่จะมองลอดออกจากช่องประตูตรงนั้นไปได้ สายตาของเนนออยนั้นพลันเหลือบไปเห็นเท้ายาวๆดำๆคู่หนึ่งลักษณะเหมือนไม่เกลียมยืนชิดขอบประตูอยู่จนปลายเท้าส่วนหน้านั้นยื่นเข้ามาในห้องเนนออยถึงกับร้องไห้ออกมาในระหว่างที่เล่าถึงตอนนั้นก่อนจะเล่าต่อว่าแล้วทันใดนั้นก็มีมือยาวๆข้างหนึ่งล้วงลอดผ่านเข้ามาทางช่องประตูคล้ายๆกับกําลังคลําหาอะไรสักอย่างภายในห้องและมือนั้น ก็คว้าเข้ากับขาของเนนออยพอดีจนทําให้เนนสะดุ้งสุดตัวล้องลั่นพุ่งไปหลบอยู่ตรงมุมห้องอย่างที่เห็นสัมผัสของมือนั้นเนนบอกว่ามีลักษณะสั ก, สกและเย็นๆแถมยังมีกลิ่นไหมผสมกลิ่นขาวคลุ้งไปทั่วเนนออยพูดไปร้องให้ไปปากก็บอกว่าอยากสึกจนหลวงพ่อต้องบอกว่าเดี๋ยวจะดูเรืองให้แต่ก็ขอให้อดทนไปก่อนเพื่อรู้เหมือนว่าตอนนี้กําลังจะมีเคราะ ให้ไปนอนพักผ่อนก่อนไม่ต้องทำงานวัดที่เหลือให้เนนยอดทาคนเดียวไปก่อนก็นแล้วกันช่วงเย็นของวันนั้นเองลูกหลานของป้าบัวก็พากันมาเก็บเท่ากระดูกของแกใส่โกรแล้วเอาไปใส่ไว้ในาธาตุที่สร้างไว้ห่างจากอุติหลวงตาประมาณ20่บเมตรพอตกตอนเย็นมีแค่เพียงหลวงตาหลวงพี่กับเนนยอดเท่านั้นที่มาสดมเน้พระส่วนเ น, นออยก็ยังนอนป่วยอยู่ในห้องของหลวงพี่ แล้วก็ได้ฝันแปลกเห็นผู้หญิงคนหนึ่งมายืนตะโกนเรียกที่ใต้ต้นโพหน้ากุฏิในสภาพที่เปลือยรูปร่างและหน้าตาสู้ผอมผมเผพ้รุงรังยาวจนถึงพื้นแต่แปลกที่เสียงของผู้หญิงคนนั้นเหมือนกับเสียงของป้าบวยอย่างไม่มีผิดเพี้ยนเพราะว่าเสียงของแกนั้นแหลมเวลาที่แกตะโกนด่าตะคอกเนนเป็นประจำตอนที่แกยังมีชีวิตอยู่เนอนออยสะดุ้งตื่นขึ้ น, นมาเหงื่อท่วมตัว รีบวิ่งไปเล่าความฝันให้หลวงพ่อฟังพอฟังจบหลวงพ่อเลยพูดขึ้นมาว่าขเขาคงอยากมาขอส่วนบุญนะเพราะลูกหลานของแกไม่ค่อยมีใครชอบเข้าวัดทาบุญกันเรื่องของเป็ดป้าบัวดังไปทั่วในสมัยนั้นชาวบ้านที่เดินผ่านวัดจะเจอกันแทบทุกคนบ้างก็เล่า ว, ว่าเห็นคนยืนเรียกพอเดินเข้าไปใ ก, ใกล้ๆกลับตัวเหยียดยาวสูงขึ้นเกื อ, เกอบเท่าต้นตาน ก่อนจะจางหายไปบ้างก็ว่าตอนขี่จักรยานผ่านวัดรู้สึกเหมือนมีคนมาดึงท้ายรถจนลม้มพอหันไปดูก็เห็นเป็นเงาดำๆยืนอยู่ต่อหน้าต่อตาจนทำให้เป็นลมหมดสติไปบ้างก็มีบ้างก็ว่าขี่รถผ่านไปจนถึงบริเวณท้ายวัดจะเจอกับขายาวๆผมผอมคู่หนึ่งยืนอยู่บนสะพานแต่ไม่มีลาตัวจนมาถึงเรื่องของเนนยอดบ้างเนรยอดเล่าให้ฟังว่า ตอนนั้นเนนยอดตื่นขึ้ น, น, นมากวาดลานวัดคนเดียวตอนเวลาตีสใกล้ๆ ก, กับกุฏิของหลวงตาแล้วก็ได้ยินเสียงเหมือนลมพัดใบไม้ปลิวเป็นจังหวะตอนนั้นก็ยังไม่ได้เอะใจอะไรคิดแต่ว่าคงจะเป็นเสียงลมทั่วไปแต่พอหันกลับมากลับได้ยินเสียงพอเนนยอดหันกลับไปดูตามต้นเสียงก็เจอเข้ากับเปรตเต็มเต็ม ลักษณะคือขาเกี่ยวกับต้นมะขามแล้วห้อยหัวลงมาเกือบถึงพื้นตัวกวาดแกว่งไปมาแล้วเกิดเสียงซึ่งเป็นเสียงเหมือนเสียงกับกระดูกกําลังเคลื่อนท่าทางราวกับกําลังเอาผมเผ้าที่รุงรังนั้นกวาดพื้นลานวัดอยู่แล้วก็ใช้มือปัดไปมาบริเวณพื้นเนนยอดถึงกับร้องลั่นแล้ววิ่งขึ้นไปบนกติหลวงตาท่านจึงถามว่าเป็นอะไรเนนยอด จึงเล่าเรื่องทั้งหมดให้หลวงตาฟังท่านเลยตะโกนไปว่าเดี๋ยวจากอุทิศ ส, สวนกุศลไปให้แล้วอย่าปรากฏตัวให้ใครได้เห็นอีกนับตั้งแต่วันนั้นมาก็ไม่มีใครได้เจอะเจอหรือพบเห็นเปรตของป้าบัวอีกเลยมีแต่เพียงแค่เสียงหวีดร้องดังมาจากท้ายวัดเป็นบางครั้งบางคราวส่วนเนนอ้อยนั้นหลังจากจบเรื่องนี้ไปก็ตัดสินใจที่จะบวชเพิ่มอีกหนึ่งพรรษา ขอขอบคุณเว็บไซต์ The House .online และแฟนเพจ The House และคุณโอ๊คสำหรับที่มาของเรื่องเล่าด้วยนะครับขอขอบคุณสำหรับการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ u b s c r i b e แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับสำหรับท่านใดที่มีข้อติชมสามารถพิมพ์ไว้ที่คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ